น้อมต่อคุณพระรัานตรยอันเป็นที่เคารพ บ, บูชาสูงยิ่งพวกเราข้ารก า, พ า, าสพระาจารย์รงศิลป์เพื่อนสาธรรมิกทุกท่า น, นเจริญพรแม่ชีอญาติธรรมทุกท่านนั่งสบายสบาย <c oughs> ก็จริงๆแล้วก็เป็นชุมนุมพวกเราเนี่ยก็มีโอกาสได้ต้อนรับพวกกลุ่มที่มาจากประเทศจีนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมาก นะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนตอนเป็นคารวะเนี่ยธรมาเคยไปเที่ยวประเทศจีนก็ไปไรหอนแล้วละ่ะก็ได้ไปเที่ยวตามวัดต่างๆในประเทศจีนเราก็ไปเจอพระจีนต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเมืองจีนในเมื่อก่อนเน่เป็นคอมมิวนิสต์ก็ปิดประเทศมาตั้งนานก็พระก็โดนขมขีกดกดขีข่ขขขมเหง ก็เลยแปลสภาพไปไม่ค่อยมีพระปฏิบัติกันก็สามารถเป็นพระทมพิธีกรรมกันต่างๆมากกว่าการปฏิบัติก็ไม่ค่อยมีเลยนะลเวลาไปเที่ยวตามวัะเจีนต่างๆก็จะพระก็เหมือนกับอคอยดูแลคนที่ไปเที่ยวแล้วก็คอยอะไรเงี้ยเหมือนกับไม่ไม่ค่อยได้ทาหน้าที่การที่ว่าออจะปฏิบัติธรรมหรือว่าการเผยแร่จริงๆ ตอนไปเที่ยวก็ยังนึกเลยเออทําไงดีนอตอยากจะให้ผู้ศรัทธากลับมาเจริญรุ่งเรืองในประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งนะเพราะตอนนั้นนะประชาชนชาวจีนเนี่ยไม่ค่อยจะมีศาสนากันแล้วนะคือดูตามคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะมีศาสนากันเมื่อนคนไม่มีศาสนาเนะี่ยแหะไม่ค่อยรู้จักอะไรเลยก็คเคยคุยกับกับคนจีนด้วยกันนะก็เขาก็บอกก็ไม่เมือนกับคนไม่มีศาสนานะวัดเขาก็ไม่ได้เข้าคือเข้าไปก็เป็นการไปท่องเที่ยวมากกว่า ไม่ได้เข้าไปในลักษณะของเราชาวพุทธที่เขา้าเข้าวัดกันนะเขาจะเข้าอีกลักษณะหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันก็ศ า, าสน า, าคริสศาสนาคิดเนี่ยเข้าไปเผยแพร่เยอะมากเลยนะคนจีนก็เข้ากับศาสนาคิดกันเยอะตอนนั้นก็นึกอยู่เรื่อยๆทำไงศาสน า, าพุทธในเมืองจี น, นจะได้เจริญรุ่งเรืองครั้งหนึ่งเมื่อก่อนถ้าเราเคยเรียนเรื่องศาสนาลนจะเห็นว่า มันก็ศาสนาพุทธนี่เป็นคนนับถือมากที่สุดในโลกเลยนะสมัยก่อนศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศ า, านสนา islam เนี่ยศาสนาพุทธนี่นับถือมากที่สุดในโลกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวจีนนับถือพุทธศาสนากันชาวจีนก็มีตั้งพันกว่าล้านเข้าไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นคนนับถือพุทธศาสนานเยอะแต่ตอนหลังเหมือนกับว่าคนจีนไม่ค่อยได้นับถือพุทธศาสนานไ ป, ไปก็อาจจะโดนตัดไปทําให้ผู้ส น, นิทชนเนี่ยน้อยลงเพราะนั้นก็มีความยินดีว่า นีมีกลุ่มกลุ่มทั้งพระอ่ะทั้งภิกษุนีแล้วก็มีฆราวาสหลายคนมาสนใจการ บ, รบัติธรรมในแนวหลวงเทธีนเนี่ยซึ่งต่อไปก็มันก็เป็นมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่จะไปเติบโตในประเทศจีนนะถ้าเป็นมันั้นได้ก็เป็นสิ่งน่ายินดีว่าต่อไปการ บ, รบัติธรรมในแนวหลวงเทธีนเนี่ยก็จะไปเจริญในประเทศจีนถ้าทําได้มันก็มัเป็นการเผยแพร่ อ, อีกคนสู่พันกว่าล้านคนเลยทีเดียวนะ ก็ น, นับเป็นสิ่งที่ดีนับเป็นสิ่งที่ดีมากนแล้วก็การที่ปฏิบัติธรรมในแนวลงมาเทียนจริงๆแล้วก็ง่ายเป็นวิธีการที่ง่ายมากนะเพราะว่าเราเราไม่ได้เอาความสงบกันนะถ้าจะเอาความสงบเนี่ยมันยากนะอย่างใครได้เคยปฏิบัติฝึกสมาธิมาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นอาณาปานสติอุทโทสัมมาระหังพองยุบนะีก็คือ กว่าจะถึงตัวสงบนี่มันก็ยากแล้วนะกว่าจะให้จิตเข้าตั้งมั่นเป็นเอกังกตานี่ยากมากนะเฉพาะตัวนี้ก็ยากแล้วหลังเองกังกตา ก, ก็ต้องถอนจิตลงมาเพื่อที่จะพิจารณาสภาวธรรมพิจารณาเพื่อเกิดปัญญาก็คือการคิดพิจารณาไปในกรรมฐานก็คือฐานกายนั่นเองฐานกายเป็นหลักมาคิดมาพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะ ให้เหตเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในขันห้าเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่ยากมากนะกว่าจิตสงบเพราะบางทีถ้าเราไปดูตามวัดที่ฝึกในสายกรรมฐานให้จิตสงบแล้วเนี่ยก็เคยไปคุยพระหลายๆองค์ก็บอกว่าออบางทีท่านไปบัตมาต้องหลายๆปีแล้วแม้ได้จิตสงบจริงๆก็ยังทาได้ยากเลยมีองค์นึงบวชมาประมาณ อ่าสิบสิบพรรษาเสร็จแล้ววันหนึ่งท่านก็มาบอกอาตมาว่าโอ้วันนี้ดีใจมากเลยเหมือนกับนั่งแล้วเหมือนกับตัวจะลอยขึ้นไปเลยปกติก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่บอกสงสัยวันนี้เดินจงกรมดีมั่งเดินจงกรมติดต่อกันนะในขนาดท่านบวชมาต้องนานขนาดนะั้นแล้วเพิ่งจะได้ประสบการณ์แบบนี้ท่านก็ดีใจนะในขนาดเออค่ายให้จิตสงบเนี่ยมันก็ยังยากขนาดนั้นนะแล้วการที่จ ะ, จะเจริญ ให้จิตเกิดปัญญามันจะยากขนาดไหนนะแต่วิธีการของหลวงพ่เทียนนี่จริงๆแล้วง่ายเพราะว่าเราไม่เอาความสงบกันนะเราเอาความรู้สึกตัวซึ่งความรู้สึกตัวนี้มันก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากเนะีเพียงแค่กายเคลื่อนไหวใจรับรู้เท่านั้นนะมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะง่ายๆแค่นั้นเองเพราะปกติเราก็เคลื่อนไหวอยู่ประจําอยู่แล้วนะเราเคลื่อนไหวอาบน้าําแปรงฟันล้างหน้า เอามือทํานู่นทํานี่อยู่แทบจะตลอดเวลาเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้สึกตัวนั่นเองนะเพราะว่าเรากายเคลื่อนไหวเราใจไม่รับรู้นะก็เคยคุยกับคนอายุมากๆหลายๆคนบ่าเนี่ยเออเดินเนี่ยรู้สึกตัวไหม <laughs> เขาก็บอกเขาไม่รู้สึกตัวหรอกเพราะว่าเขาไม่เคยฝึกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาฝึกเนี่ยเป็นสิ่งที่มันง่ายง่ายจริงๆ <laughs> มันง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ผลเร็วบางคนไม่เคยฝึกอะไรเลยมาฝึกแค่ หกวันเจ็วันก็ได้ประโยชน์ในจุดนี้แล้วแล้วก็นำไปใช้ต่อได้ด้วยนะเพราะฉนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นสิ่งเป็นผู้ที่โชคดีเหมือนกันที่เราได้มาพบสิ่งที่ง่า ย, ายๆแบบนี้นะเพราะว่าสมานีก ก, ก็มีเพื่อนนะมีเพื่อนที่เคยปฏิบัติเจริญสมาธิมาก็ไหลสิบปีแล้วประมาณ20กว่าปีหรือบางค น, นถึง30ปีก็ดูแล้วเขาก็ยัง เหมือนกับว่าจะมีอารมณ์ต่างๆอยู่นะความโกรธอะไรความโลภความหลงเขายังมีอยู่หลายๆคนทั้งผู้ชายผู้หญิงนะบางคนไปบัตรมานานมากแล้วเนี่ยส่วนจิตสงบเขาก็มีบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับทุกครั้งนะแต่เรามาฝึกเจริญสตินี่จริงๆแล้วแค่ไม่นานคิดว่าไม่น่าจะเกินปีนึงเป็นอย่างมากนะไม่เกินปีหนึ่งเราจะเห็นการเปลีป่ยนแปลงแทบทุกอย่างเลยนะจะเห็นว่าจิตใจของเราเนี่ยจะสงบเยือกเย็นลงนะ จะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆได้เร็วขึ้นนะโดยเพราะความคิดนะอารมณ์ต่างๆที่หยาบๆเช่นความโกรธเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรารู้ทันได้เร็วนะแล้วเราก็ไม่เข้าไปในอารมณ์เหล่านั้น น, นั้นนี่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนเลยนะสำหรับผู้ที่เจริญสติได้ถูกต้องนะจริงๆเราไม่ต้องถึงปีหรอกอาจจะแค่เดือนเดียวเราก็จะเห็นในสิ่งเหล่านี้แล้วล่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะเราฝึกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการขย่าทารู้นะบางทีเราเรกว่า เ, ออเราทําไป ไม่มีประโยชน์หรือว่าทําไปอะไรเงั้ยน่ะนึกว่าเราทําแล้วไม่ได้อะไรบางคนโอ้ทำแล้วอาจิตสงบก็ไม่สงบรู้สึกตัวก็ไม่รู้สึกตัวแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเขย่าท่านรู้นะที่เราทําแต่ละครั้งเนี่ยเขย่าท่านรู้ให้ให้เติบโตขึ้นมานั่นเองนะคือคนเราเนี่ยมีมีท่านรู้อยู่ทุกๆคนแต่ว่ามันมันซ่อนอยู่ในมันไม่ได้แสดงออกมานะ ไม่ได้แสดงมาจริงๆครั้นี้เมื่อเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อท่ารู้มันถูกเขยา่าขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงตัวออกมาให้เราสามารถรู้เท่าทันความคิดล่าลมต่างๆเนี่ยได้เลยนะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างก็คือหลงกับรู้นะหลงกับรู้ถ้าคนที่ไม่เคยฝึกไปบททัติธรรมโดยพระเจรสติเนี่ยจะหลงประมาณเก้าสิบเปอร์เซนต์เลยนะแต่ละคนเนี่ยหลงประมาณเก้าสคือวันๆหนึ่งจะหลงประมาณเก้าสิเปอร์เซนเป็นอย่างน้อยนะ หลงไปอารมณ์ต่างๆหลงคิดทั้งวันนะทำอะไรก็มากจะใจลอยนะใจลอยหลงคิดนะยึดมั่นถือมั่นนะพวกนี้คือตัวหลงหมดเลยคือความคิดนี้ก็มีความตั้งใจคิดอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งใจคิดให้มันจบจบไปส่วนตัวหนึ่งเขาเรียกว่าหลงคิดก็คือการที่เราไม่ตั้งใจคิดนะคิดไหลไปเรื่อยๆคิดเรื่องนี้จบไปคิดเรื่องนั้นต่อ ซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็เรียกว่าตัวหลงหมดเลยนะตัวหลงคิดนะหลงคือตัวหลงเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมนี้จะหลงกันเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีกสักกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองนะที่จะไม่หลงนะกลุ่มนี้ก็คือผู้ที่สามารถที่จะรู้เท่าทันความคิดแล้วลมได้ซึ่งเกิดจากการปฏิบัตินะไม่ได้เกิดขึ้นมาเองนะไม่ใช่อยู่ดีเราจะรู้ขึ้นมา เราไม่หลงก็ไม่ใช่ต้องเกิดจากการปฏิบัติขึ้นมาการปฏิบัติก็คือการปลัดให้เกิดตัวรู้ตัวรู้ขึ้นมานั่นเองเรามาสร้างตัวรู้กันนะยังตัวหลงนี่อาจจะเรียกว่าเป็นน้ำน้ำเสียหรือน้ำไม่ดีเนี่ยเราไม่ต้องไปให้มันหมดไปนะเพียงแต่เราสร้างเราทำน้ำดีให้เยอะๆนะน้ำเสียก็จะลดน้อยลง เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปกลัวตัวหลงว่ามันจะต้องทําให้มันหมดไปเราเพียงแต่เราสร้างตัวรู้ให้เยอะๆเท่านั้นเองนะตัวหลงก็จะน้อยลงนะหมือนก็ว่าเมื่อหลงมากเราก็จะรู้น้อยเมื่อรู้เมื่อรู้มากเราก็จะหลงน้อยนั่นเองนะเพราะเราก็เพียงแต่สร้างตัวรู้ให้เยอะๆตัวหลงก็จะน้อยลงนะเพราะฉะนั้นการที่เรายกมือแต่ละครั้งนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องรู้รู้ครั้งนะ รู้ทุกครั้งก็อาจจะเป็นการไปเพ่งไว้ก็ได้ซึ่งก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องรู้ทุกครั้งแต่ว่าเราก็พยายามรู้ให้บ่อยๆเท่านั้นเองนะรู้บนะ่อยๆการที่เรารู้บ่อยๆนี่ก็คือเราเป็นการที่เรียกว่าเป็นการขย่าท่านรู้นะบางทีเราสังเกตดูถ้าเรายกมือไปเรื่อยๆนะ เ, ออเราฝึกรู้ไปเรื่อยมันจะมีความสุขมันไปเองนะมีความสุขใจเบากายเบานะ จะรู้สึกว่าจิตมีความตั้งมั่นขึ้นมานะอันนี้เราไม่ได้ฝึกสมาธิเลยนะจิตตั้งมั่นก็คือสมาธินั่นเองเพียงแค่เรารู้ให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะรู้ไปรู้ไปแต่ละครั้งหยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้เนี่ยการที่หยุดนี่ก็สําคัญไม่ใช่ว่าเราคือใหม่ๆนี่มันต้องมีจังหวะหยุดด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมันจะแสบใส่อยู่มากแล้วมันจะฟุ้งซ่านถ้าเราเคลื่อนไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ไม่มีจังหวะหยุดเนี่ยมันก็เหมือนกับเรา เขไม่มีจังหวะหนึ่งที่มันจิตมันจะหยุดให้มันรู้นะมันก็เราเดินจงกรมเดินจกรมถ้าเราจิตฟุ้งซ่านเนี่ยแล้ว เ, เราเดินไปเรื่อยๆพอหันเดินไปสุดปลายทางก็หันตัวกลับปุ๊บเดินกลับมาปั๊บเลยเนี่ยมันก็อาจจะฟุ้งซ่านโดยที่มันอาจจะไม่มีการหยุดรู้แต่ถ้าเราเดินไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยเราหยุดสักนิดนึงนะหยุดก่อนสักนิดนึงแล้วเราก็หมุนตัวกลับ หนตัวกลับเสร็จแล้วเราก็หยุดสักนิดหนึง่งแล้วเราก็เดินต่อเนี่ยถ้าทําแบบนี้นะ่ะคือตัวนี้มันเป็นการที่ทําให้จิตมันหยุดได้นะแต่า ก, การที่เราฟุ้งซ่านคิดไปเนี่ยมันจะหยุดเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรียกว่าจังหวะหยุดนะในการเราเคลื่อนมือเหมือนกันใหม่ๆเราเรามีจังหวะให้มันหยุดด้วยนะหยุดค้างสักนิดนึง่งการเคลื่อนการหยุดมันก็ต้องรู้พอรู้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อจิตมันมีความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะเราอาจจะไม่ต้องหยุด เป็นจังหวะอย่างนั้นก็ได้เราอาจจะเคลื่อนไปโดยที่เราสามารถรู้เท่าทันก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดินจงกรมก็เหมือนกันเราก็อาจจะไม่ต้องหยุดรู้ทุกครั้งแต่เมื่อจิตมีความตั้งมั่นแล้วเราก็สามารถที่จะเดินต่อเนื่องไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นเหมืนก็อาจจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งว่าเราต้องรู้เท่าทันในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคืออย่าไปทําตามอารมณ์ที่เราทําตามอาชอบใจนะเออเราบางคนเคลื่อนไหวมืออ่า มันมันน่นก็ก็ไม่ถูกนะมันมันแต่ก็ต้องรู้สึกรู้สึกตัวไปด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆนะ mm. พอเราทําแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเราเราเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเ mm. นี่ยมันเป็นการสะสมสะสมยังไงพอเราทําทำแบบเราทำแบบรู้เฉยๆทําแบบรู้รู้เฉยๆรู้เฉย ๆ, ๆ, ๆมันก็จะเกิดความเป็นปกติในใจขึ้นมานะ ความเป็นปกติในใจนะความปกตินี่มันจะเป็นสภาวะหนึ่งที่มันทำให้เราเนี่ย mm. เขาเรียกว่าเป็นปัจจุบันนะความปัจจุบันหรือความปกติหรือตัวรู้นี่ก็คือตัวเดียวกันหมดเลยนะรู้เฉยๆทำเป็นรู้เฉยๆแล้วไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาไว้ต้องรู้อะไรมากมากเกินกว่ารู้เฉยๆเท่านั้นบางทีจะไม่ต้องรู้ว่าเป็นมือซ้ายหรือมือขวาซะด้วย แค่รู้เฉยว่าขณะนี้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นแล้วนะอาจจะมีลักษณะการบุ้มไหวเกิดขึ้นอันนี้ก็คื อ, คอการรู้เฉยโดยที่เราไม่ต้องไปแยกแยะอะไรหรือเราเดินจงกรมก็ไม่ต้องแยกแยะว่าดินพื้นที่เรากระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างไรนะแค่รู้เฉยก็พอแล้วมันก็จะเกิดสภาวะที่ปกติเกิดขึ้นนะความไม่ปกตินี่มันก็จะทําให้จิตเราเนี่ยเป็นปุติได้บ่อยๆนะ เมื่อจิตมันจำสภาวะที่ปกติได้บ่อยๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นมันก็จะรู้เท่าทันได้ด้วยนะมันก็เราสามารถที่จะรู้เท่าทันเลขหนึ่งเลข1คือเราจำเลขหนึ่งได้แล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะจำได้ว่าเลขศูเลขสองี่ห้า6 7เจดแไม่ใช่เลขหนึ่งนั่นเองนะเพราะนั้นเมือ่อเราจำสภาวะที่มันจิตนั้นปกติได้แล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ปกติเช่นความคิดนะ ความโลภความโกรธความหลงความรักความชางังอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยหรือเป็นอาการของจิตทั้งหมดเราก็จะรู้ทันไปด้วยเพราะวัน ไ, ไม่ปกตินั่นเองนะยิ่งเราสามารถที่จะจิตปกติได้เท่าไหร่จิตมีการขึ้นไหวแล้วเราจําสภาวะปกติได้มากเท่าไหร่นั่นแหละจะทําให้เราแยกแยะหรือเห็นสิ่งที่ไม่ปกติได้ไวขึ้นนะอันนี้ก็เรียกว่าท่านรู้มันค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วนะโตแล้วเพราะว่ามันจําสภาวะที่มันปกติได้นั่นเองนะ เราก็ทําไปแบบเรื่อยๆจะเย็นๆนะมันต้องใช้เวลานา น, านพอสมควรทีเดียวการเจริญสตินี่แล้วก็เราอดทนมากด้วยนะอันนี้เออบางคนเคยฝึกสมาธิบางคนติดได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าบางคนฝึกสมาธิแล้วติดจิตสงบเร็วก็มีนะบางคนเออนั่งสมาธิแค่ครัง้งสองครัง้งจิตสงบเลยจิตสงบนิ่งก็ติดใจนะติดใจเลยนะแต่การเจริญสติมันไม่เป็นแบบนั้นนะมันไม่ใช่ติดใจเร็วแต่ว่าเราก็ต้องทําด้วยความอดทนนะ ด้วยความขยันด้วยความอดทนถึงบาที่เราทําแล้วอาจจะไม่รู้สึกตัวเลยก็ไม่เป็นไรเราก็อดทนทําไปเรื่อยๆนะีแล้วมันอาจจะได้จังหวะหนึ่งเนะีอย่างที่พระอาจารย์ทรงสิทธิ์บอกว่าเอออาจจะเราจะโยนหินใส่ตะกร้านะโยนไปสักหลายๆก้อนแต่ถ้าลงตะกร้าสักก้อนนึงก็ถือว่าใช้ได้แล้วเนะีเพราะบางทีเราก็สร้างจังหวะไปเรื่อยๆนะจนอาจจะมีจังหวะหนึ่งที่เราเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาก็ได้นะมันก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องทุุกครั้ง แต่ถ้าเราวันหนึ่งเราอาจจะทำสักไม่กี่ครั้งอาจทำทั้งวันแต่ม ม, ม, มีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นที่มันเกิดความรู้ตัเลยชัดก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะแล้วเราก็ค่อยๆที่จะสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นความรู้และเป็นเทคนิคแต่ละคนนะอย่างที่เราเล่าว่าแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันนะบางทีเราอาจจะเป็นแบบนี้ได้ผลแต่ว่าเราไปบอกคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ผลก็ได้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนจะต้อง พิจารณาว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยอย่างไหนที่มันเหมาะกับจริตของเรานะฮะ น, นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็บางคนบอกว่าเออทาไมการปฏิบททนะัติธรรมนมีหลายหลายแบบมีหลายหลายอย่างในเมืองไทยนะเช่นพองยุบสัมมารหังพุทโธทานาปานาสติหรือมาเจเริญสติเนี่ยเราควรจะปฏิบัติแบบไหนนะก็คือ เราต้องดูว่ามันตรงกัจริตของเราไหมอันนี้สําคัญมากเลยคําว่าตรงกับจริตหมายความว่าอย่างไรนะตรงกัจริตไม่ใช่ปฏิบัติแล้วเรามีจิตที่สงบนะหรือเห็นนิมิตต่างๆหรือส่งจิตไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆได้หรือมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นที่มันผิดธรรมชาตินะอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าตรงกัจริตของเราคําว่าตรงกับจริตของเราก็หมายความว่าปฏิบัติแล้วเนี่ยเรารู้ทันกิเลสได้ไหมนะ กินเละแล้วลดน้อยลงไปไห ม, นะ ค, ว ม, วมความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันลดลงไปไหมอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยในการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วสักระยะหนึ่งอาจจะนานพอสควรอาจจะเป็นปีก็ได้เราต้องมาสังเกต ต, ตัวเราเองว่านะเราปฏิบัติแล้วเนี่ยกินเละแล้วลดลงไปไหมเนะี่ยถ้ากินเละของเร า, ามีเท่าเก่านะหรือมีมากกว่าเก่าเช่นความโกรธเนี่ยจะมีเท่าเกา่าหรือมากกว่าเก่าก็แสดงว่าไม่ตรงกับจติตของเราแล้วเนี่ย เราก็ควรที่จะเปลี่ยนเป็นวิธีการที่มันใกล้ตรงกับจริตเรามากกว่านะอันนี้ไม่ใช่ปีเดียวบางคนหลายๆปีเลยน ะ, ะก็ต้องสังเกตในจุดนี้ด้วยว่าทําแล้วเนี่ยกินเหลเรลดไปไหมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะแต่ถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยเรารู้เรารู้เห็นการเปลี่ยนแปลงเออเราค่อยๆดีก็แล้วนะกินเหลรทเราลดลงนะความโลภความโกรธความโลง่งของเราเนี่ยลดลงก็แสดงว่าตรงกับจริตของเราแล้วเราก็ทําต่อไปเลยนะ ทำต่อไปเรื่อยๆก็อยากได้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวอันนี้สําคัญนะเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกต้นไม้ใส่กระถางนี้เสร็จแล้วก็ไม่ชอบย้ายไปใส่กระถางอื่นนะก็ไม่ชอบย้ายไปกระถางอื่นอีกอันนี้ต้นไม้มันก็ไม่โตสักทีหนึ่งเพาะนักคนที่เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะไม่เจริญก้าวหน้าในการปฏิบัตินะเพราะว่ามันไม่มีการต่อเนื่องกันนะ แต่เรามั่นใจในวิธีการใดวิธีการหนึ่งซึ่งอาจจะไ ม, ไม่ใช่วิธีการนี้ก็ได้แต่เมื่อเป็นบัตรแล้วกิเลสมันลดลงก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะเราก็สามารถที่จะเป็นบัติต่อไปได้เลยนะส่วนประเด็นสําคัญก็คือการที่กิเลสเราจะลดลงไปเนี่ยอยู่ที่ว่าเรารู้ทันไหมรู้ทันกิเลสเหานั้นไหมอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะถ้าเรารู้ไม่ทันกิเลสเนี่ยมันก็จะไม่มีทางที่จะลดลงแน่นอนเช่นความโกรธนะบางทีคนเข้ามาว่าเราตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเรารู้ไม่ทัน มันก็ไปไปคิดคำหนึง่งในคำพูดของเขาคิดไปเออทาไมมาว่าเราแบบนั้นทำไมมาทำกับเราแบบนี้ก็วนอยู่ในคำพูดวนอยู่ในความคิดทั้งวันมันก็ จ, จะความโกรธไม่ได้นั่นเองคืออันนี้เราไม่อาจที่จะละความโกรธได้เร็วแต่ถ้าเราเพียงแค่รู้เท่าทั น, นว่าขณะนีะ้เรากำลังจะเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วนะ แค่เรารู้เท่าทันความโกรธมันจะลดลงไปเลยนะอันนี้สําคัญมากอันนี้ที่กาพูดก็เพราะว่าเออก็เห็นประสบการณ์การในจุดนี้มาเพราะเมื่อก่อนเป็นคนที่โกรธเก่งมากแต่พอต้อนรับมาปฏิบัติแล้วเออมันก็เลยเข้าใจในจุดนี้นะบางที่เรายังความโกรธเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันก็จะโกรธเลยนะมันเป็นอย่างหนึ่งที่วันต้องผ่านผ่านสิ่งต่างก่อนแล้วมันค่อยโกรธอ่า ยกตัวอย่างเช่นอาก่อนจะโกรธมันก็ต้องอาจจะมีความหงุดหงิดนะความไม่พอใจความขัดเคืองขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยถึงความโกรธไม่ใช่อยู่ดีใครก็มาดา่าเราปุ๊บเราจะโกรธทันทีเลยก็ไม่ใช่นะถ้าเราสังเกตในทีมันจะผ่านไพวกนี้ก่อนความหงุดหงิดความไม่พอใจความขัดเคืองก่อนเนี่ยมันว่ามันค่อยมาถึงความโกรธเพราะฉะนั้นคนที่ฝึกจาระสติเนี่ยจะเห็นอารมณ์พวกนี้ได้ก่อนน ะ, ะเห็นอารมณ์พวกนี้ได้ก่อน เพราะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าความโกรธนี่เปรียกมันก็เป็นเลข5นะส่วนอารมณ์ต่างๆมันเป็นเช่นความหงุดหงิดความไม่พอใจอาจจะเป็นเลข1นึ4นะคราวนี้เมื่อเราสามารถที่จะรู้เท่าทันเลข1ได้เนี่ยโอกาสที่จะถึงเลขห้ามันก็ยากนะเหมือนกับเลข5คือความโกรธเป็นไฟกองใหญ่นะส่วนเลข123ามันอาจจะเป็นไฟกองเล็กๆนะมันกระดับได้ง่ายกว่าไฟกองใหญ่เยอะนะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือ ไม่ใช่แต่ความโกรธเป็นเลข5้าอย่างเดียวก็คือทุกทุ่วลมก็คือเลข5ทั้งหมดเลยนะการเราฝึกเจิตสติก็คือเราสามารถรู้เท่าทันเลข1นั่นเองนะเมื่อเรารู้เท่าทันเลข1แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เข้าสู่เลขห้าทุกทุก่วลมนะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากการที่เราฝึกให้ใจเนี่ยไปปกติบ่อยๆนะเพราะความที่เป็นเลข1เลข2ก็คือความไม่ปกตินั่นเองนะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตว่าเ อ, อขณานี้จิตของเราเนี่ยกลับเพิ่มแล้วนะ จิตของเราขนาดนี้เป็นอย่างไรเราก็จะเห็นการกระเพื่อมของจิต <c oughs> เห็นความไหวของมัน <c oughs> เห็นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้มันก็จะวัยขึ้นเรื่อยๆนี้ก็คือการที่เรารู้เท่าทันกิเลสนั่นเองเมื่อเรารู้เท่าทันกิเลสแล้วเนี่ยกิเลสมันก็จะลดไปเองเพราะเราไม่ต้องไปละกิเลส น, นะไม่ใช่ว่าเราต้องปฏิบัติเพื่อละกิเลสแต่จริงๆแล้วแค่เรารู้เท่าทันกิเลสเท่า น, นั้นในกิเลสก็จะค่อยๆละค่อยๆหมดไปในที่สุดนะเราต้องเพียร์รู้เท่าทันมันเหมือนกับ เรามีห้างสรรสินค้านี่แหละอาจจะมีขโมยเนี่ยเข้ามาขโมยของในห้างเราเนี่ยเยอะแยะเลยนะหลายๆคนเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่เราเกิดอมองสักคนนึงมองคอยจ้องไปเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นขโมยตัวจริงหรือเปล่าแต่ถ้ารู้เป็นขโมยตัวจริงเราแค่มองมันปุ๊บเนี่ยมันจะหนีจากร้านเราทันทีเลยนะเพราะมันรู้ว่าเรารู้จักมันแล้วนะีอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคือเราต้องรู้จักหน้าตาของกิเลสเนี่ยให้ชัดขึ้นนะสังเกตจิตของเราทุกอย่าง เมื่อเรารู้จักมันชัดเรื่อยๆเนี่ยมันจะอยู่ในใจของเราเนี่ยไม่ได้นานนะเราจะรู้ทันมันนะแค่มันก็เดิกตัวนิดนึงเราก็รู้ทันมันแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในใจเราไม่ได้นานนะแต่เรารู้ไม่ทันมันนะมันก็จะอยู่ในใจของเราเนี่ยตลอดไปนะเรามันก็จะไปปรุงแต่งอะไรเยอะๆอะไรที่เรารู้ไม่ทันมันนะปรุงแต่งเป็นประทานนะแทบทุกอย่างเลยก็คือตัวนี้มันลากยากกว่าความโกรธนะความโกรธนี่จริงๆมันลาง่ายกว่าส่วนตัวที่มันเป็น อะไรต่างๆอารมณ์ความยินดีต่างๆความรักความชอบใจต่างๆพวกนี้มันจริงๆแล้วมันละยากกว่ากันเยอะเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ให้ความสุขให้ความละเอียดนะกับเราส่วนความโกรธนี่ก็เป็นให้ความหยาบให้ความทุกข์กับเราให้ความร้อนเนี่ยเราจะรู้ทันมันส่วนอารมณ์อะไรต่างๆหลายๆอย่างจะให้ความสุขให้ความประณีต อันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้ทันได้ยากมากเลยนะเมื่อมันเป็นแบบนั้นเราก็จะไปยึดไปมีวทานกับมันเนี่ยตัวนี้สำคัญมากนะเราก็ต้องรู้เท่าทันทุกลมด้วยทั้งอารมที่หยาดนะและอารมณ์อารมณ์ที่ละเอียดนะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ทันหรือทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยก็ต้องรู้ทันทั้งหมดนะอย่างที่ว่าบางทีเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะไปยึดสิ่งที่มันดีก็ไม่ใช่อย่างบางทีเราทาบุญนะทบุญนะ ก็เคยมีคนนึงไปทําบุญตามวัดปฏิบัติเนี่ยทบุญเยอะเลยพระท่านบอกว่าอย่ามัวเมาบุญอยู่เลยนะคนนี้ก็ฟังไม่เข้าใจเมาบุญคืออะไรนะเขคิดไม่ออกตอนหลังก็มาถามนักปฏิบัติอีกคนนึงบอกว่าเนี่ยพระท่านบอกแล้วนะว่ายอย่าไปหลงอยู่กับบุญนะเพราะการที่เราไปหลงอยู่กับบุญก็คือการสร้างภพสร้างชาตินั่นเองน ะ, ะการที่เราไปทําบุญแล้วเราติดในบุญก็คื อ, อเขาเรียกว่า เป็นวิบากแล้วนะเขาเรียกว่ากิเลสกิเล ส, สวัตรกรรมวัดวิปากวัตนั่นเองนะกิเลสก็คือเรามีกิเลสอยู่นะกิเลสอาจจะอยากดีก็ได้อยากจะรวยอยากจะชาติหน้าเราเป็นเทวดาหรือเป็นคนรวยๆนะเราก็ไปทำบุญเขาเรียกว่ามีกิเลสนะแล้วเราไปทำกิเลสนะก็ไปทำกรรมนะ การ ม, มันคือการกระทำํำก็เกิดเป็นวิบากกรรมขึ้นมาวิบากจากกรรมนะก็เลย ว, วิปากวัดมันก็จะส่งผลให้เราต่อเนื่องไปอีกอาจจะต้องไปทั้งเราไปติดในบุญก็ต้องไปมีพบชาติที่จะเกิดใหม่ไม่ไม่ที่สุดเหมือนกันนะพอเมื่อการทําบุญแล้วเนี่ยเราก็อย่าไปติดในสิ่งเหล่านั้นเราก็เพียงแต่รู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปจบเป็นครั้งๆไป เพราะนนการปฏิบัตินี้นะทั้งบุญทั้งบาปนี่เราก็ไม่เอาเราก็ทำใจให้เป็นกลางๆเท่านั้นนะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นทั้งบุญทั้งบาปทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดนะบางทีถ้าธรรมะในระดับสูงหรือครูบาอาจารย <wi> ์ท่านก็จะบอกนะไม่มีไม่เอาอะไรเลยนะวางใจเป็นกลางๆไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีถูกไม่มีผิดนะถ้าเรายังติดอะไรอยู่ก็เป็นความยึดมั่นทั้งนั้นทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิด มันเป็นความยึดมั่นทั้งหมดแล้วเราก็จะออกจากความทุกข์จริงๆไม่ได้ถ้าเราคิดว่าเราทำแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราทำดีเราก็จะมองคนอื่นว่าคนอื่นเ็าทำไม่ดีอีกนั่นเองนะแล้วความยึดมั่นถึงมาในตัวตนเราก็จะสูงขึ้นนะเพราะนั้นการที่เราทำแล้วเนี่ย <ๆ S 1> เเรียกว่าเป็นตัวที่เราจะต้องละมันให้ได้นั่นก็คือทั้งดีทั้งชั่วก็คือละมานะนั่นเองนะมานะเป็นสังโยชน์ เกือบเสุดท้ายแล้วนะตัวที่8เลยนะมาณนะตัวนี้สําคัญมากคือทําแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่เอาทั้งดีไม่เอาทาั้าทางชั่วเราไม่คิดว่าเราเก่งกว่าเขาไม่คิดว่าเราต่ำกว่าเขาหรือเราเสมอเขานะเราก็จะละมาณะเนี่ยได้นะแต่เราทําไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราดีกว่าเขาแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นมาณะเหมือนกันน ะ, ะสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นกิเลส ท, ที่ละเอียดอยู่ในใจของเราซึ่งเป็นตัวที่ละได้ยากมากนะเราเราค่อยๆสังเกตกิเลสทั้งหยาบแลละเอียดเนี่ยเราก็จะมี โยนิโสมันนาการก็คือความที่เราเนี่ยมีความที่จะใส่ใจมีวิจรารณญาณในกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนีว่าเรารู้เท่าทันมันไหมทั้งดีและทั้งชั่วนะถ้ารู้เท่าทันทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเราจะละได้หมดทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดเนี่ยเราก็จะตัดสิ่งที่เป็นสมมุติได้หมดเลยนะอุปทานทั้งหมดเราก็ตัดได้นะจุดในสุดเราก็จะถึงความที่เรียกว่าเราสามารถรู้เท่าทัน ในสิ่งที่เป็นสมมุตินั่นก็คือไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงไม่มีดีไม่มีชั่วทั้งหมดนะมันก็เป็นสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาทั้งหมดก็จะเข้าสู่ความเป็นจริงนั่นคือเห็นรูปเห็นนามเป็นปรมัติธรรมนะไม่ติดอยู่เพียงแค่ว่าออนี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงนี่เป็นผู้ใหญ่นี่เป็นเด็กอันนั้นก็เรียกเป็นสมมุติทั้งหมดนะเราต้องปฏิบัติเพื่อความหลุดออกจากสมมุติทั้งหลายเรานั้นด้วยก็จะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะในท้ายสุดนี้ก็ขอให้ทุกท่าน อาปิป็นบาให้ถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิน